รู้จากปริยัติต่างกับรู้จากปฏิบัติอุปมาเหมือนเราตกจากยอดไม้ก็ตุบถึงดินโนนไม่รู้ว่ามันผ่านกิ่งไหนบ้างจิตเมื่อถูกอารมณ์ปุบขึ้นมาถ้าชอบใจก็ถึงดีโนนอันที่ติดต่อกันเราไม่รู้มันไปตามที่ปริยัติรู้นั่นเองแต่มันก็ไปนอกปริยัติ ด, ด้วย มันไม่บอกว่าตรงนี้เป็นอวิชาตรงนี้เป็นสังขารตรงนี้เป็นวิญญาณตรงนี้เป็นนามรูปมันไม่ได้ให้ท่านมาหาอ่านอย่างนั้นหรอกเหมือนกับการตกจากต้นไม้ท่านพูดถึงขนาจิตอย่างเต็มที่ของมันจริงๆอัตมาจึงมีหลักเทียบว่าเหมือนกับการตกจากต้นไม้เหมือนมันพลาดจากต้นไม้ไปปุ๊บมีได้ขนานาว่ามันกี่นิ้วกี่ฟุต เห็นแต่มันตูมถึงดินเจ็บแล้วทางนี้ก็เหมือนกันเมือมันเป็นขึ้นมาเห็นแต่ทุกโสกะปริเทวะทุกโน่นเลยมันเกิดมันจกไหนมันไม่ได้อ่านหรอกมันไม่มีปริยัติที่ท่านเอาสิ่งละเอียดนี้ขึ้นมาพูดแต่ก็ผ่านไปทางเส้นเดียวกันแต่นักปริยัติเอาไม่ทันฉะนั้นท่านจึงให้ยืนตัวว่า อะไรที่เกิดขึ้นมาจากผู้รู้อันนี้เมื่อผู้รู้รู้ตามความเป็นจริงของจิตหรือเจตสิกเหล่านี้จิตก็ไม่ใช่เราสิ่งเหล่านี้มีแต่ของทิ้งทั้งหมดไม่ควรเข้าไปยึดไปหมายมั่นทั้งนั้น